สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีรษะนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่ห้าสิบหกเรื่องความหมายของเสาเจ็ดต้นตอนที่หนึ่งเพราะวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็จะซ้ากับเมื่อวานนี้แต่จะเลือกมาแค่ข้อเดียวครับก็คือสุภาษิตบทที่เก้าข้อที่หนึ่งโปรดฟังวจนะของพระเจ้า ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้วเธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้นพระคบีอ้างอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเสาเจ็ดต้นซึ่งนักวิชาการได้มีความพยายามที่จะให้ความหมายอธิบายถึงเสาเจ็ดต้นนั้นคืออะไรก็กลับมาที่สุภาษิตบทที่แปข้อสิบสองข้อสิบสี่ครับสุภาษิตบทที่8ข้อ ส, สิบสองข้อสิบสี่ 8, 12, โปรดฟังพชนะของพระเจ้าเราคือปัญญาอยู่ในความอย่างรู้และเราพบความรู้และความเฉลียวฉลาดความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเราเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบแสแลงเรามีคําหารือและสติปัญญาเรา มีความรอบค อ, อบรอบรู้และเรามีกำลังพี่น้องครับถ้าหาพี่น้องเปิดไปในพระชนะของพระเจ้าเราจะเห็นถึงเสาทั้งเจ็ดนี้นะครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดแค่สี่เสานะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะต่อสามเสารวมกันเป็นเเสาครับเจ็ดเสานี้นะครับผมจะล่ให้ฟังก่อนนะครับหนึ่งคือ เสาต้นแรกความรู้สองเสาต้นที่สองคือความเฉลียวฉลาดสามเสาต้นที่สามคือความยังเกรงพระเจ้าสี่เสาต้นที่สี่คือคำปรึกษาหารือห้าเสาต้นที่ห้าคือสติปัญญาหกเสาต้นที่หกคือความรอบรู้เจ็ดเสาต้นที่เจ็ดคือ กำลังนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเสาเจ็ดต้นที่คุณเจ้าหญิงปัญญานั้นได้สร้างไว้ให้กับคนที่ติดตามและรับการเชิญชวนของท่านในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายว่าเสาเจ็ดต้นนั้นคืออะไรเสาต้นแรกครับคือความรอบครอบครับความรอบครอบนั้นเป็นเสาต้นแรกของเจ้าหญิงปัญญา ที่เธอได้สร้างขึ้นมาเจ้าหญิงปัญญาแสดงให้เห็นว่าเธอเป็ น, ปนผู้ที่อยู่บ้านหลังเดียวกันกับความรอบครอบเธอเป็นผู้ที่สร้างเสาต้นแรกขึ้นมาการมีความรอบครอบนั้นพี่น้องครับจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องในชีวิตของเราและใครก็ตามเมื่อมีการตัดสินใจที่ดีที่ถูก ถูกต้องแล้วแล้วก็เขาเก็จะมีความสามารถในการที่จะวางชีวิตของเขาล่วงหน้านั่นหมายถึงความสามารถในการคาดการล่วงหน้าวางแผน ล, ล่วงหน้าและรู้ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องครับคนคนนั้นแหละจะมีชีวิตที่ดีครับและปลอดจากการทาบาปเขาจะไม่ตกอยู่ในกับดักและหลุมพราง กลอุบายของคนชั่วและความชั่วร้ายเขาจะมีความความรู้สึกและรู้จักหักห้ามใจของตัวเองซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีในชีวิตของมนุษย์พี่น้องครับคนที่มีความรอบครอบเขาจะไม่พูดอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าเขาจะไม่ทำอะไรที่ไม่ผ่านความคิดและใจอารมณ์ วิธีคิดของเขานั้นจะอยู่ในทางที่ถูกต้องคือทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเขานั้นจะเดินอยู่ในความชอบธรรมครับเดินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าสเสมอเขาจะมีชีวิตที่พรีเยูตัดสอนครับฉลาดเหมือนงูแต่อ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบนี่คือความหมายของคนที่ฉลาดรอบคอบนี่คือเสาต้นแรกครับ เสาต้นที่สองในวันนี้ก็คือความรู้และการอย่างรู้หรือที่เราเรียกว่าเฉลียวฉลาดภาษาอังกฤษนั้นใช้คาว่า insight ทึ่งแต่ตรงตัวครับคือความอย่างรู้ในภาษาฮีบรูเขาใช้คาว่า ima, m a x e i m a m m e z i n m a h m a x i m a m แปลว่าความสามารถในการวางแผนคิดประดิษฐ คนนะครับแผนการต่างๆในภาษาฮีบรูนั้นก็สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะคิดแผนดีแผนชั่วก็ได้ครับแต่เสาต้นที่สองก็คือความรู้การอย่างรู้ในนี้หมายถึงแผนการที่ดีอย่างเดียวเมื่อมีคนวางแผนที่ดีคนคนนั้นเขารู้จักใช้สถานการณ์ใช้สิ่งแวดล้อม ใช้หลักการเหตุผลและไหวพริบครับเขาถูกเรียกว่าเป็นคนที่มีไหวพริบมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาคิดล่วงหน้าและใช้เหตุผลมาบูรณาการเพื่อที่หาทิศทางที่ดีกับชีวิตและมุ่งหน้า Press on ต่อไปตรงกับชูวัสิบที่ยี่สิบสองข้อสามเขาพิกล่าวว่าคนอย่างรู้เห็นอันตรายข้างหน้า และซ่อนตัวเสียจากการถูกบองร้ายการตกลงในบาปและความชั่วร้ายทั้งมวลพี่น้องครับคนที่มีความรู้และการอย่างรู้เขาเป็นคนที่มีความเฉลียวครับเฉลียวใจเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นคนที่มีไหวพริบมีความความกระตือล้นและสามารถใช้เหตุผลต่างๆมาบูรณาการ เพื่อวางแผนหาทิศทางที่ดีที่สุดในชีวิตต่อไปมาดูเสาที่สามครับความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นเสาต้นที่สามที่เจ้าหญิงปัญญาสร้างขึ้นมาความยำเกรงพระเจ้าพระมปีบอกว่าคือการเกลรดชังความชั่วร้ายเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายเกลรดชังความเยื่อหญิงและเกลียดชังความจองหองทางของคนชั่วร้าย และวาจาตลบตะแหลงของมันพี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้านั้นคือความเกลียดชังการเกลียดชังความชั่วเกลียดชังความหญิ่งยะโสเกลียดชังพฤติกรรมที่ไม่ดีเกลียดชังความคาพูดที่วิปริตโป๊ปดมดเท็จและตลบตะแลงคนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงนะครับเขาจะวางพื้นฐานชีวิตของเขาอยู่ในความสง่างาม อยู่บนความเกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้าฉะนั้นความคิดของเขาจึงปราศจากความผิดบาปครับเพราะว่าเขาไม่อาจจะทําบาปได้เขาไม่อาจจะคิดในสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะว่าเขาเกรงกลัวพระเจ้าวความเกรงกลัวพระเจ้านี่แหละครับสําคัญครับและชุภวพาสีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็บอกว่าความเกรงยำเกรงหรือเกรงกลัวพระเจ้านั้นเป็นบอกเกิดของเสติปัญญาแต่คนโง่ดูหมิ่นความรู้และเกลียดชังวินยัย นี่ครับเราจะเห็นนะครับคําสามคำที่มีความสําคัญที่นี่ก็คือว่าย่าเกรงพระเจ้านะครับเป็นหลักเลยนะครับเป็นบ่อเกิดบ่อเกิดก็คือเป็นแหล่งที่มาและคําที่สามคือสติปัญญาความยําเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อเกิดเป็นที่มาของสติปัญญานะครับในคานองเดียวกันครับคนโง่นะครับก็เป็นคําสําคัญความรู้และวินัย คนโง่นั้นดูหมิ่นความรู้และกรีดชังวินัยเพราะฉนั้นพี่น้องครับเราต้องระวังครับชีวิตของเรานั้นจะต้องวางอยู่บนรากฐานของความยำเกรงพระเจ้าซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของความรู้นะครับวินัยสติปัญญาความยำเกรงพระเจ้านั้นมีความหมายว่าความความเคารพในพระเจ้านรือคาว่าเรเวเรนที่มาจากภาษาอังกฤษคําว่ารีเ e r รรีเวเรรีเวเร เป็นการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อพระเจ้าครับในการยำเกรงพระเจ้าเกรงกลัวพระองคเพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพพระองค์เราต้องให้เกียรติพระองค์และเราต้องเกรงกลัวพระองค์เพราะความบริสุทธิ์ของพระองค์และความเที่ยงธรรมความยุติธรรมของพระองค์นั่นเองและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นการแสดงออกออกมาเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตประจําวันคนที่ยำเกรงพระเจ้านั้นจะต้อง คอมมิชตัวเองครับคอมมิชตัวเองอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าสี่ด้านด้วยกันครับคือหนึ่งการรับใช้การรับใช้พระเจ้าสองการรับราการพระองค์สามการเชื่อฟังและสี่ความรักในพระองค์เนี่ยครับมาถึงเสาต้นที่สี่นะครับก็หมดเวลาแล้วผมขออนุ ญ, ญาตยกยอดไปในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะดูเสาที่สี่ห้าหกและเจ็ดขอพระเจ้าเชื่อเรานะครับในการที่เราจะ เป็นผู้ที่มีความยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีความอย่างรู้มีความรู้รู้ล่วงหน้าดูอนาคตได้และเป็นคนที่มีความรอบคอบนะครับรอบคอบในความคิดคำพูและการกระทำอาเมน